พระบัญญัติ517ก็ภิกษุใดทำกล่องเข็มด้วยกระดูกด้วยงาหรือด้วยเขาต้องอบัติปาจิตตีที่ชื่อว่าเพธนกะเรื่องภิกษุหลายรูปจบ